มงคลชีวิตมงคลที่แปลกความเป็นผู้รู้ศิลปะวิทยาสิบปันจะเอตามังคลมุตตมังความมีศิลปะวิทยา ความชำนาญในวิชาชีพของตนชื่อว่าสิบปัญจะความฉลาดในงานฝีมือทุกอย่างชื่อว่าศิลปะประเภทของศิลปะวิทยาศิลปะทั้งของครือหัดและของบรรพชิตต่างก็ได้ชื่อว่าศิลปะในศิลปะทั้งสอง น, นั้น กิจกรรมมีงานของช่างแก้วและช่างทองเป็นต้นที่เว้นจากการทำร้ายชีวิตสัตว์อื่นหรือเว้นจากอากุศลชื่อว่าอาคาริกะสิล ป, ปะหรือศิลปะของคารือหัสเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้ส่วนการจัดทาบริขารของสมมนามีการกะและเย็บจีวรเป็นต้น ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นกิจที่ควรทำให้แก่ตนและแก่เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้ชื่อว่าอนาคารีสิบปะหรือศิลปะของบรรพชิตเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้าทั้งแก่ตนและคนอื่นๆด้วยส่วนคำพีโลกนิตและธรรมนิต แสดงศิลปะไว้18ขแแขนงซึ่งมีการเรียนการสอนตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลเช่นสุขติความรู้ทั่วไปสั ม, มติความรู้กฎธรรมเนียมอนุเพธาวิชายิงธนูและติกิจชา้าวิชาแพทย์เป็นต้นความเป็นผู้รู้ศิลปะวิทยา จัดเป็นมงคลเพราะ 1. ทําทำให้มีชื่อเสียงและคําสรรเสริญ 2. ทํทำให้ได้ทรัพย์และตำแหน่งดุดศิลปะการดีดกรวดของคนง่อยอันพระราชาขอให้ดีดพี่แพะเข้าปากอมัดพูดมากจนได้ยศใหญ่ 3. ทํทำให้รอดพ้นภัยต่างๆดุดพระราชารอดพ้นความตาย เพราะเรียนคาถาที่ใช้กล่าวในขณะต่างๆจนพระโอรสที่คิดลอบปลงพระชนต้องสารภาพเพราะคิดว่าพระราชารู้แผนฆ่าจริงๆทั้งที่ตรัสไปตามคำสอนของอาจารย์ตามปกติ 4. ทำให้ประสบความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าและสุขในนิพพาน